ว่างจากเครื่องเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยส่งประกายทองอัมพันมองด้วยตาเปล่าดูล่อใจประดุดน้ำจันทร์จากแมนสวงแต่ความจริงอันน่ากลัวที่แฝงอยู่ในสีสดสวยคือฤทธิ์ในการบันดาลความคิดชั่วร้ายเริ่มจากตัดกำลังสติ จำกัดความสามารถในการเห็นตรงจริงแล้วยอมใจให้คึกครึ้มมีแต่ตัวตนที่เข้าข้างตนเองโลกปรากฏตุดฉากฝันไร้ผิดถูกมีแต่ภาพเสียงเร่งเรา้าคิดได้แค่อยากทำอะไรก็ทำเมื่อยังครองสติวินยูชนย่อมอ่านออก ว่าน้ำอะไรเปลี่ยนนิสัยได้น้ำอะไรตัดกำลังสติได้น้ำอะไรออกฤทธิ์ให้มึนเมางงงวยได้น้ำอะไรสั่งให้ทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวได้น้ำนั้นย่อมมิได้หยาดลงมาจากแดนสวรรค์ถว่าเป็นน้ำนรกที่ถูกส่งขึ้นมากลื่นคนลงต่ำโดยแท้ เล่าเข้าปากมากเรื่องร้ายกลายเป็นอีกคนเพื่อนของตนยังแทงดับกับตำรวจยังขโมยโหยหิวกามแม้กับญาติปากตลาดกระทั่งเสือไม่เหลือสติยัง้งพลั้งมือแล้วยังไม่รู้เล่าทำผิดแต่คนกลับติดคุก เล่าระเหยหายลับแต่กลับทิ้งคนบ้าไว้ให้เห็นริษแรมปีมนุษย์บอกว่าขี้เหม็นนอนในซ่วมกลับสำคัญว่าขี้หอมคนมีศีลบอกว่ากลิ่นเหล้าน่ารังเกียจเหนือสิ่งอื่นใดคนทุศีลกลับเห็นกลิ่นเหล้าเ ย, ย้ยยวนเหนือคำบรรยาย เมื่อปากว่างจากเล่าก็ยากที่ใครจะฆ่าคนอย่างไร้สำนึกยากที่ใครจะจีบล่นโดยขาดความยับยั้งชั่งใจยากที่ใครจะก่อคดีโสมหญิงด้วยความหน้าด้านสุดโฉดยากที่ใครจะปั้นน้ำเป็นตัวราวกับพูดออกมาจากความฝันการมีสติปกป้องปวงชน ไม่เปิดโอกาสให้ถูกปีศาจเล่าทำลายจัดเป็นมหาทานประการที่ห้าหากรักษาตนไม่ให้มึนด้วยการเสพยาเมายอมชื่อว่าเสพสติมีตาตื่นอยู่กับความเป็นมนุษย์และมีสิทธิ์ได้ดีเท่าที่คนสติดีจะมีได้